ควรจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องสารพระภูมิสมัยปัจจุบันเรื่องการตั้งสารพระภูมิดูจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านใหม่หรือจะสร้างสถานที่อะไรก็ตามถ้าหากไม่ตั้งสารพระภูมิก็ดูเหมือนจะขาดสิ่งสำคัญไปทีเดียวในสถานที่ราชการทุกแห่ง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบไม่เห็นมีที่ใดที่ไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิแม้ในสถานที่อันโออาและทันสมัยผู้ที่เป็นเจ้าของทั้งที่เป็นคนที่ได้รับการศึกษามาในทางวิทยาศาสตร์ก็อดไม่ได้ที่จะไม่ตั้งศาลพระภูมิและศาลพระภูมินั้นก็จะต้องให้สวยงามเหมาะสมกับฐานะของบ้านหรือตัวอาคารที่โออานั้นด้วย ในที่บางแห่งไม่มีที่ซึ่งเหมาะที่จะตั้งสารพระภูมิก็ต้องเอาไปตั้งไว้บนหลังคาก็มีปัญหาเรื่องสารพระภูมิเป็นปัญหาที่คนสมัยปัจจุบันสงสัยกันมากคนส่วนมาก ท, ทั้งที่ไม่เชื่อและไม่เข้าใจเหตุผลแต่ก็อดตั้งไม่ได้เพราะที่อื่นเขาทำกันเราจะไม่ทำบ้างรู้สึกว่าไม่เหมาะแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่ไม่ยอมตั้งสารพระภูมิเพราะเจ้าของบ้านเป็นคนที่รักเห ถ้าจะทําอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วเป็นไม่ยอมทําปัญหามีอยู่ว่าเราควรจะปฏิบัติกันอย่างไรในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองโดยปกติไม่สนใจเรื่องสารพระภูมิตัวข้าพเจ้าเองไม่เคยตั้งสารพระภูมิแต่ก็เคยแนะนําให้บุคคลบางคนตั้งสารพระภูมิเพื่อความสบายใจของเขาและเพื่อเหตุผลบางอย่าง แต่บางคนข้าพเจ้าก็แนะนำไม่ให้ตั้งแต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามเรื่องนี้กับท่านครูบาสีวิชัยเมื่อไม่นานมานี้เมื่อท่านได้ให้คาแนะนำมาแล้วได้ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรจะต้องเอาเรื่องนี้ออกเผยแพร่แต่ท่านก็ได้ออกตัวว่าเรื่องนี้ท่านไม่ค่อยถนัดนักท่านได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับโอปปปาติกะองค์อื่นที่ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ถึงกระนั้น ก็พึงทราบไว้ด้วยว่าข้อความที่เขียนลงในที่นี้เป็นเพียงบางแง่เท่านั้นแต่ก็เป็นหลักกว้างๆพอที่จะให้คนทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางได้และข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ด้วยว่าเรื่องสารรับภูมิตามที่เคยเชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจะมีหลักเกณฑ์หรือความเป็นมาอย่างไรข้าพเจ้าไม่เคยศึกษาค้นคว้าเลย เพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะฉะนั้นข้อความที่เขียนลงในหนังสือวิญญาณนี้จึงเป็นความรู้ใหม่สําหรับข้าพเจ้าด้วยปัญหาข้อแรกที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านก็คือสารพระภูมิเป็นบ้านหลังเล็กๆย่าว่าแต่คนเลย แม้แต่ไก่ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้ในเมื่อสารที่จะสร้างให้เป็นที่อยู่ของพระภูมิมีขนาดเล็กเช่นนี้พระภูมิท่านจะเข้าไปอยู่ได้อย่างไรเพราะพระภูมิซึ่งเป็นโอปปาติกะก็มีรูปร่างเท่าๆกับคนเหมือนกันท่านได้ตอบว่าแต่เดิมทีเดียวการสร้างสารพระภูมิเขาไม่ได้มุ่งที่จะให้เป็นที่อยู่ เพียงแต่ให้เป็นเครื่องหมายสแสดงถึงการเชื้อเชิญด้วยความเคารพนับถือเพื่อให้ท่านมาสิงสถิตยอยู่ที่บ้านของตัวเองเท่านั้นท่านบอกว่าประเพณีอันนี้เดิมทีเดียวเกิดขึ้นในประเทศอินเดียและมาจากพวกที่นับถือศาสนาพราหมพวกพราหมได้สร้างเทวาลายัยซึ่งเป็นสถานที่ใหญ่โตสวยงามเพื่อให้เป็นที่สิงสถิตของพระวิษณุหรือของพระเจ้าองค์อื่น ๆ, ๆที่เขานับถือ และต่อมาคนในกลุ่มนี้ก็อยากจะให้ท่านมาสิงสถิตยอยู่ที่บ้านของตัวเองบ้างจึงได้สร้างจำลองเทวาลาหลังเล็กๆไว้ที่บ้านของตัวเองทั้งนี้ก็เพียงแต่เพื่อให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการเชื้อเชิญเท่านั้นคนที่มีฐานะดีก็สร้างได้ใหญ่โตและสร้างได้สวยงามเหมือนกับเทวาลาจริ ง, รงๆเช่นในบริเวณโบสถ์พระแก้วได้มีนครวัดจำลองซึ่งสร้างไว้เพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นจะได้ดูว่า นครวัดมีรูปร่างลักษณะอย่างไรส่วนคนซึ่งมีฐานะไม่ดีก็สร้างเพียงพอเป็นสังเขปและต่อมาในเมื่อตอนเองนับถือใครก็มีการสร้างสถานที่เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการเชื้อเชิญคนนั้นแต่แล้วตกมาในยุคหลังคนที่ไม่เข้าใจเหตุผลก็คิดว่าสร้างศาลพระภูมิเพื่อให้เป็นที่อยู่ในทานองเดียวกับคนที่ไม่เข้าใจถึงเหตุผลไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้า ก็มักจะเข้าใจว่าพระพุทธรูปนี่แหละคือพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามาสิงสถิตยอยู่ที่พระพุทธรูปแต่คนส่วนมากในสมัยปัจจุบันที่มีการศึกษาแต่ก็ไม่ใช่จะรู้เรื่องนี้จริงๆเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาสิงสถิตยอยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้ แต่จะมีเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์มาสิงสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปซึ่งเขาเข้าใจว่าเทพเจ้าไปอยู่ในองค์พระจริงๆบางทีก็ถึงกับเกิดปัญหาในเรื่องครอบแก้วกล่าวคือบางคนไม่กล้าใช้ครอบแก้วครอบองค์พระเพราะกลัวท่านจะหายใจไม่ออกความหลงผิดหรือความงมงายไม่ว่าในเรื่องอะไรถ้าขาดการศึกษาค้นคว้าก็มักจะมาในรูปนี้เสมอ ตามประเพณีของคนไทยสมัยโบราณเรามักจะสร้างที่บูชาบรรพบุรุษไว้ในบ้านด้วยเพราะมีความเชื่อว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วทันมักจะมาอยู่กับลูกหลานเพื่อช่วยคุ้มครองดูแลลูกหลานความเชื่อในแบบนี้คนไทยมีมานานก่อนนับถือพระพุทธศาสนาเสียอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อได้เห็นตัวอย่างการสร้างศาลพระภูมิของพวกครามที่เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทย จึงได้รับความคิดอันนี้เข้าไว้ได้โดยง่ายเพราะมันเกือบจะเหมือนกับความเชื่อของคนไทยที่มีอยู่ก่อนและเนื่องจากในการที่ตั้งสารพระภูมิพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นคนที่มีหัวในการสร้างพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้แลดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้กําหนดพิธีและหลักการไว้มากมายและยึดถือปฏิบัติกันมาตราเท่าทุกวันนี้ ท่านได้บอกว่าในเมื่อการตั้งสารพระภูมิเป็นแต่เพียงเครื่องหมายแห่งการเชื้อเชิญเพราะฉะนั้นใครจะตั้งหรือไม่ตั้งก็สุดแล้วแต่ใจสมัครส่วนการที่พระภูมิจะมาอยู่หรือไม่และจะอยู่ได้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าสารพระภูมิที่มนุษย์สร้างให้นั้นโอปปาติกะเขาก็เห็นเหมือนกับที่มนุษย์มองเห็นตลอดถึงอาหารที่สังเวยก็เหมือนกัน มนุษย์เห็นอย่างไรโอปปาติกะก็เห็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้โอปปาติกะบางคนที่ยังมีความเนื้คิดในแบบมนุษย์อยู่มากยังไม่เข้าใจเรื่องตัวเองซึ่งพวกนี้ส่วนมากก็มีจิตใจต่ำไม่เห็นบ้านที่เขาสร้างให้เล็กนิดเดียวแทนที่จะดีใจกลับเกิดความโกรธบางทีถึงกับเตะสารเลยก็มีเพราะเขาคิดว่าจะสร้างบ้านให้อยู่ทั้งทีจะสร้างให้อยู่ได้หน่อยก็ไม่ได้ ท่านบอกว่าพวกที่มีความคิดแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยและในเรื่องอาหารก็เหมือนกันที่มนุษย์ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนั้นเขาก็โกรธเพราะไม่พอกินเขาคิดว่ามนุษย์ทำให้เขาอย่างกับเป็นของเล่นเท่ากับเป็นการดูถูกส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่จิตใจสูงกว่านั้นและเข้าใจเรื่องของตัวเองอยู่บ้าง พอเขาสร้างบ้านให้หรือให้ของสังเวยแม้จะเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็รู้สึกขอบใจและอนุโมทนาในเมตตาจิตของผู้ให้และพร้อมกันนั้นเขาก็รู้ว่าสถานที่อยู่และอาหารไม่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องให้เขาก็ได้เพราะเขามีบุญพอที่จะบันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในเมื่อเขาเห็นบ้านหรือได้เห็นอาหารที่มนุษย์ให้ บางพวกก็ให้เกิดความอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองในเมื่อเขายังไม่มีและอยากจะรับประทานอาหารอย่างนั้นครั้นแล้วพอเขาอยากได้หรืออยากรับประทานอะไรก็จะมีคนอื่นเอาอาหารมาให้หรือสร้างบ้านให้ท่านบอกว่าตัวอย่างการสร้างบ้านดังที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และพร้อมกันนี้ท่านตำหนิข้าพเจ้าว่า ท่านรู้สึกป ร, ร, ระคาญข้าพเจ้ามาหลายครั้งแล้วในการที่ข้าพเจ้าใช้คำพูดว่าพวกโอปปาติกะไม่อยากจะได้อะไรพอนึกถึงสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีท่านบอกว่ามันไม่ง่ายถึงขนาดนั้นสมมุติว่าโอปปาติกะบางคนอยากจะได้บ้านสักหลังก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องได้ในทันที ทั้งๆที่เขามีบุญพอที่จะบรรดาให้บ้านเกิดขึ้นได้พวกโอปปาติกะก็ยังต้องใช้เวลาเหมือนกันส่วนพวกที่ต้องการสิ่งใดได้ทันทีนั้นก็มีเหมือนกันแต่ต้องเป็นโอปปาติกะชั้นสูงซึ่งมีบุญมากพอท่านอธิบายให้ฟังถึงเรื่องนี้เลยทำให้ข้าพเจ้านึกถึงป้ารัานสุภมิตรขึ้นมาได้ทันทีป้ารัานได้ถึงแก่กรรมมาเมื่อประมาณเกือบสามปีมานี้ มรณะเมื่อ6กันยายนพุทธศักราช 2,506 ป้ารันในสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่เคยมาอยู่ที่วัดมหาธาตุหลายปีเป็นคนใจบุญชอบอยู่วัดชอบปฏิบัติทางสมาธิและวิปัสสนาป้ารันเป็นคนมีฐานะดีมีลูกสาวมีลูกเขยเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลอยู่ที่สีราชาแต่เนื่องจากตัวเองมีนิสัยดังกล่าวจึงชอบมาอยู่วัด และมาในระยะหลังก่อนที่จะตายประมาณปีเศษได้มาอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าและอยู่กับข้าพเจ้าจนกระทั่งตายจากกันไปก่อนที่จะตายปารันได้บอกข้าพเจ้าว่าอีกไม่กี่วันจะกลับมาการที่ป้ารั้นบอกข้าพเจ้าเช่นนั้นก็เพราะป้ารั้นจะไปให้หมอทําการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกที่โรงพยาบาลศรีราชาซึ่งปารันมั่นใจว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างมากก็ไม่เกินสองอาทิตย์ เราก็จะกลับมาอยู่กับข้าพเจ้าอีกแต่ป้ารันไม่รู้ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้ารันไปคราวนี้จะไม่ได้กลับมาเป้ารันได้ตายในห้องผ่าตัดแต่แล้ววันที่เป้ารันกําหนดที่จะมาหาข้าพเจ้าที่บ้านนั้นก็มาจริงๆแต่มาในสภาพของโอปปาติกะและในสภาพของคนที่กําลังพักฟื้นซึ่งมีโอปปาติกะคนอื่นๆมาช่วยดูแลอยู่ด้วย สิ่งหนึ่งที่ป้าร้านเล่าให้ฟังก็คือป้ารันบอกว่าท่านจำคำของพระได้ว่าคนที่เคยทำบุญไว้ถ้าอยากจะกินอะไรหรืออยากจะได้อะไรของนั้นก็จะเกิดขึ้นท่านอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าจึงได้ลองนึกดูโดยเฉพาะในเรื่องการกินป้ารัานเล่าให้ฟังว่าพอดิฉันนึกอยากจะกินอะไรอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีคนเอาสิ่งนั้นมาให้ป้ารันบอกว่าเป็นอย่างนี้เสมอ ป้ารันได้อยู่กับข้าพเจ้าในสภาพที่เป็นโอปปาติกะเป็นเวลานานเกือบถึงปีแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่ประจำทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ข้าพเจ้าหมายความว่าป้ารันไปไปม า, มาที่บ้านข้าพเจ้าเสมอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนแล้ว จากคำบอกเล่าของท่านครูบาสรีวิชัยและจากตัวอย่างของป้ารั้นดังที่กล่าวมานี้ก็พอที่จะทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องสารพระภูมิและเรื่องการเส้นสวงสังเวยว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสมจากเหตุผลที่ข้าพเจ้าเล่ามาให้ฟังนี้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ได้แนะนาให้ท่านเลิกตั้งสารพระภูมิและข้าพเจ้า ก็ไม่ตำหนิท่านที่ตั้งศาลพระภูมิเพราะการตั้งศาลพระภูมิจะถือว่าเป็นความงมงายเสียทีเดียวก็ไม่ได้หรือจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่จำเป็นก็ไม่ได้เพราะว่ามีโอปปปาติกะอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่เข้าใจเรื่องของมนุษย์ดีและมองเห็นความจำเป็นของมนุษย์ว่าจะสังเวยแต่ละครั้งถ้าจะต้องจัดอาหารกันเป็นการใหญ่หรือถ้าจะตั้งศาลก็ต้องทาให้ใหญ่โต การกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ทุกวันและทุกคนและอีกอย่างหนึง่งเขาเข้าใจดีว่าอาหารอย่างละเล็กอย่างละน้อยหรือบ้านหลังเล็กๆนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพนับถือแสดงถึงความปรารถนาดีแสดงถึงความใจบุญซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้พวกโอปปปาติกะที่มีจิตใจสูง เกิดอนุโมทนาจิตมีความเต็มใจในอันที่จะมาอยู่ด้วยและช่วยคุ้มครองส่วนอาหารที่จะรับประทานและบ้านที่เขาจะอยู่นั้นเป็นเรื่องของเขาเองเมื่อเขามีบุญเขาก็จะได้ด้วยบุญของเขาแต่จากการที่เขาเห็นมนุษย์เป็นคนใจบุญแสดงความเคารพนับถือต่อเขานั้นย่อมเป็นปัจจัยทําให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมาก เพราะในโลกของโอปปาติกะนั้นเรื่องบุญกุศลเป็นเรื่องที่มีความหมายมากที่สุดมันเหมือนกับในโลกมนุษย์เงินเป็นสิ่งที่มีความหมายมากเพราะเงินสามารถจะบรรดาลอะไรได้หลายอย่างส่วนในโลกของโอปปาติกะเงินไม่มีความหมายและไม่มีที่ไหนเขาใช้กันเลยในโลกของโอปปาติกะนั้นบุญคือเงินและมีความหมายยิ่งกว่าเงินหลายเท่า ในขณะที่เขาเกิดอนุโมทนาจิตอันเป็นกุศลนั้นมันคล้ายกับเราได้ปลูกพืชลงไว้แล้วและพืชนั้นก็พร้อมที่จะงอกงามอยู่แล้วยังขาดปัดจจัยอยู่เพียงอย่างเดียวคือน้ําฝนเพราฝนตกลงมาแผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นพืชนั้นก็จะงอกงามขึ้นมาทันทีข้อนี้ฉันใดบุญกุศลที่เขาทําไว้แล้วในเมื่อชาติก่อน เปรียบเหมือนพืชที่ปลูกลงไว้แล้วอนุโมทนาจิตเปรียบเหมือนน้ำฝนซึ่งจะทำให้พืชแห่งกุศลที่เขามีอยู่ก่อนแล้วนั้นจเจริญงอกงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นการตั้งสารพระภูมิหรือการทำพิธีสังเวยด้วยอาหารหรือด้วยเครื่องสักการะบูชายอย่างไรก็ตามย่อมมีประโยชน์แก่พวกโอปปัติกะตามสมควรแก่ฐานนะแต่ก็อย่าลืมว่าเฉพาะแก่พวกโอปปาติกะที่มีจิตใจสูง เข้าใจเรื่องของมนุษย์ดีเท่านั้นความรู้เกี่ยวกับการสังเวยและการตั้งสารพระภูมิดังที่กล่าวมานี้มีมานานตั้งแต่ดึกดำบรรก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่อย่างไรก็ดีสำหรับบุคคลที่ได้เรียนทางพระพุทธศาสนา ย่อมจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโอปปาติกะกว้างขวางกว่าพวกครามหลายเท่าเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนปัจจุบันเข้าใจอะไรได้ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งกว่ามีการทดสอบและตั้งกฎเกณฑ์ได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรอบรู้ในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมพระองค์ตรัสว่าทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากใจ เกิดจากวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในใจใครจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรจะอยู่ในฐานะอย่างไรอยู่ในภูมิใดขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมทั้งสิน้นการช่วยเหลือของมนุษย์เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นเพราะเหตุที่หลักความจริงมีอยู่เช่นนี้ท่านครูบาศีวิชัย จึงได้แนะนามาว่าถ้าหากคนสมัยใหม่บางคนรู้สึกตะคิดตะขวงไม่อยากจะตั้งสารพระภูมิแต่จะไม่ตั้งก็ไม่ได้เพราะที่อื่นเขาทำกันถ้ารู้สึกเช่นนี้ท่านบอกว่าเราควรจะสร้างที่บูชาคือสร้างห้องพระไว้ในบ้านของเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ภายในห้องนั้นจะต้องทำให้สะอาดและบริสุทธิ์เสมือนหนึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบ้าน ภายในห้องนอกจากจะมีพระพุทธรูปและรูปของท่านที่เราเคารพนับถือเครื่องสักการะบูชาแล้วก็ควรจะเป็นที่ที่เราสามารถเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปสวดมนต์ได้ท่านบอกว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการตั้งสารพระภูมิที่สมบูรณ์ทุกอย่างและในเมื่อเราต้องการจะเชื้อเชิญท่านผู้ใดให้มาสิงสถิตอยู่กับเรา ให้มาคุ้มครองเราเราก็พยายามสวดมนต์และอธิษฐานทำบุญใส่บาตรแผ่ส่วนกุศลถวายท่านและบูชาท่านด้วยเครื่องสักการะต่างๆหรือจะบูชาด้วยอาหารหรือด้วยผลไม้ต่างๆก็ได้ตามอัธยาศัยโอปปาติกะที่ท่านรู้จักหน้าที่ของท่านดีมีอยู่ไม่น้อยท่านเหล่านี้ก็จะมาสิงสถิตอยู่กับเราเองและการตั้งสารพระภูมิแบบนี้ โอปปาติกะที่ไม่ดีก็จะมาอยู่ไม่ได้ด้วยปัญหาภายในวัดจะตั้งสารพระภูมิได้หรือไม่ตอบทุกวัดต้องมีโบสถ์วิหารหรือหอสวดมนต์นั่นแหละคือสารพระภูมิของวัดซึ่งมีอยู่แล้วทุกวัดเพราะฉะนั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสารพระภูมิราคาแพงๆมาตั้งหรือสร้างขึ้นใหม่อีก ทุกทุกสิ่งรอปลายกลบกลายพี่รมสิน้นความไร้มนต์ทินอันอยากเรียบบาน